ในช่วงของคุยธรรมะกันในคือชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยมันแก่ลง มันเกิดที่คุณชราชรานี่คือคุณแก่ไว้ปีนึงชราใกล้ ผมหงอกบ้างหลังคดบ้างผิวย่นบ้างเหี่ยวย่นเสียงเปลี่ยนไปความจําแล้วๆเนี่ยเอ่อเมื่อร่างกายคือจิตใจของเราเนี่ย ทีละดวงไปเรื่อยๆนะเกิดปุ๊บมันก็เหมือนเดิมเมื่อคืนมันไม่มีการหยุดมันเป็นเหมือนกับพลังงานที่เกิดขึ้นต่อไปเกิดดับเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปคือร่าง เซลล์ร่างกายเนี่ยทางการแพทย์เค้าก็คนพบว่าอวัยวะแต่ละอย่าง ยังมีวิชชาอยู่มีกิเลสอยู่มันก็ต้องไปเกิดแน่เอ่อทีนี้การเปลี่ยนแปลงการเกิดดับการได้กายใหม่เนี่ย นะสิมันไม่สามารถจะนับครั้งได้เลยเพราะมันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นที่มันเกิดดับอยู่ๆเนี่ยมีการ เอ่อมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าอาสวะเนี่ยเป็นคราบที่ๆเชื้อ จิตที่จะต้องคอยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาทีนี้อย่างน้อยมันเกิดมาใหม่เนี่ยมันแข็งแรง เซลล์ใหม่ที่มันโตขึ้นมาเนี่ยมันก็รู้ที่กับ มันจึงสร้างเอ่อโบนมาสสร้างปริมาตรกระดูกขึ้นมาอีกนะเพราะว่าเพื่อที่จะต้องมี เออเค้าแข็งแรงเติบโตตามฟิตเนสต่างๆบ้างในขณะที่อีกคนหนึ่งเค้าแข็งแรงเติบเช่นพวกกรรมกรจับกังหรือว่า ที Fitness ถ้าเราไปยิมไปฟิตเนสมันก็จะมีความแข็งแรง 2 รูปแบบคือฝึกอยู่ในยิมในถ้าเป็นร่าง นั่นคือถ้าจิตของเราเนี่ยในระหว่างวันเนี่ยเรามีการฝึกอยู่แต่แต่ถ้าเราตลอดวันเรา 2 อย่างเนี่ยมันๆ แห่งจริงของเราๆในเช้าเย็นเราก็ฝึกที่เป็นรูปแบบการฝึกแบบกับการฝึกที่ไม่เป็นรูปแบบอ่ะนะบ่อยๆๆๆไปว่า เอ๊ะสมมุติว่าเราจะฝึกแบบเป็นรูปแบบก็ตามอยอย 9 อย่าง ในอย่างคนจะเข้าสมาธิที่ลึกลงไปได้เอ๊ะทําไมเขาถึงทําได้เอ๊ะ 5 อย่าง เรเรายังเรายังไม่เคยรู้เลยเคยคนที่กินข้าวชอบอาหารประเภทนี้มากเลยของมันและแล้วความนั้นอาหาร นะเป็นอย่างนี้คุณก็ชนะๆหรือกินเยอะจนกระทั่งท้อง 2 เห็นโทษ 2 อย่าง นั้นคือ 1 เห็นโทษของ 2 เห็นประโยชน์ในของความที่เช่นเดียวกันจิตของ 1 อย่างน้อยคือ แต่คิดวิเคราะห์อยู่ในภายในเราก็มีความสุขได้เห็นโทษของความสุขจากสิ่งๆทํามากๆตรงเนี้ยจิตเราจะ เนี่ยเราให้เห็นโทษของไอ้ความเงียบๆนะไปเห็นประโยชน์ของสมาธิที่ 9 ขั้นด้วย 10 ขั้น นะขั้นตั้งแต่ขั้นที่ 2 ถึง 10 นะก็คือสมาธิตั้งแต่ขั้นที่ 1 ถึง 9 แล้ว 1 นะความสุขจากกามขึ้นไปเป็นความสุข 2 เนี่ยขึ้นไป 3 เนี่ยมัน ของสิ่งที่เราอยู่ตอนนี้เห็นประโยชน์ของสิ่งที่เราต้องการไปนะทําแต่ที่มันยังไม่ไปนี่เพราะว่าเรายังไม่เห็นโทษของปัจจุบันมาก อย่างเวลาที่เราเลื่อนชั้นจาก ป.1 มา ป.2 เนี่ยคุณต้องสอบผ่านนะถ้าคุณสอบไม่ผ่านเขาก็ให้คุณซ้ําชั้นเช่นเดียวกับไอ้ความสุข แล้วเหมือนกันไอ้เจ้าความสุขจิตเรามันจะอายุเรามากขึ้นนะอย่าให้จิตของเราอ่อนแอลงอายุเรามากขึ้นนะจึง ซึ่งถ้าเรามีสติอยู่เรื่อยๆเราจะเห็นได้ว่าๆก็ไป FM 106 หรือ ในวันนี้ข้าพเจ้าพระ